เป็นไงลูกหลานเห็นแต่กูบาพูดปากมุมมับมมับไม่รู้พูดอะไรใช่ไหมห <c oughs> ลวงตากำลังทักทายกันไปยังไงมายังไงกี่วัดเนี่ยดูดูตั้งห้าห้าวัดสี่วัดเออสี่วัดพันานาในคมวัดหนึ่งท่าบอ่อวัดหนึ่งอำเภอโพตากวัดหนึ่งลมสัก เอก อ, อแต่พี่น้องหลมศัก์รถตู้กี่คัน <18. S 1> ฮะบ <17, 18. S 1> โอรถตู้ทั้งสิบกว่าคันนะเลยป็นพี่น้องทางหลมศักเคยมาทางนี้ไหมเนี่ย <Okay. S 1> มาบ่อยไหมมานของใครออกมาจากนี้ก็มาอ๋อ ฮะอืแล้วก็ภูกอนพวกที่ยังไม่เคยขึ้นภูกอนก็มีนะมั่งนี่เนาะเออขึ้นไปกราบพระนี่สิพระภูกร์อโอ้สวยนะเป็นพระหินหินอ่อนอ่หินประเทศอะไรหินไว้แคนาดาน่ภาษาภาษาอังกฤษหินขาว หินขาวประเทศแค ล, ลิฟอรอิตาลีเมืองแคลิล่าเเอามาจากประเทศอิตาลีมาแกะพราก็ใช้เวลาแกะโอ้หลายปีเหมือนกันนะเป็นคนนี่นหละคนอำเภออำเภอแม่สายเชียงรายเรานะแต่ผู้แกะลูกมือลูกมือเป็นชาวพม่ า, มาแต่หัวหน้าใหญ่เขาเนี่ย เป็นบริษัทแต่พ่อแม่ของเขานะ่ะเขาเป็นเคยแกะพระเนี่ยลุงพ่อกันเนี่ยพี่สาพี่สาวของเขาเนี่ยแกแกะพระมันกันนะเนี่ยแต่พวกเราเห็นว่าเป็นพระสีดำเนี่ยเป็นพระอะไรเป็นพระนินนะก็ว่าหินนินสเปนนะเออเป็นหินนินนะนินนินเพรว่าดำใช่ไหมประเทศหินนินสเปน เเป็นหินมาจากประเทศสเปนอันนี้อันนั้นหินขาวนะอันนี้หินดำาพวกเรายังสังเกตเห็นนะยังอันนี้ยังเห็นลายลายแร่ใช่ไหมที่เขาขาวนะั้นลายแร่แร่แร่แร่อยู่ในอยู่ในหินดำนะเนี่ยเฉพาะกระถางทุกอย่างเดียวก็แสนกวบาทนะั้นลูกลูกหลานนะราคามันนะหลวงพ่อยังกลัวเขาจะขโมยเขาจะแบกไปอยู่นะนะั้น <vir gins> พรนะพุทธรูปเลยสามล้านแปดแสาแค่าแกะส่งถึงที่นะแต่เป็นสองท่อนนะลกูกหลานตั้งแต่แท่นแท่นลงมาที่เป็นตุมต่มๆเละตุมต่มๆนะเป็นส่วนหนึ่งและก็ขึ้นไปข้างบนอนะีกเป็นเป็นสองชิ้ น, อ, น อ, นะอ่ะองตะรูปโอ้หนักหน้าดูไซเค็นใหญ่นะย ใช้เคียนห้าสิบตันเลยเข้ามามายกลงนี่นะเป็นหินหินดำแต่ตามไม่จริงก็น่าจะให้เขานั่นแหละเพราะราคาทั้งแกะหินทั้งก้อนใช่ไหมถ้าแกะกล้วยเนะี่ยคงไม่ค ง, คงไม่คงไม่จ้างเขาตรงั้นแ่ะอันนี้แกะหินเนี่ยโหกว่าจะได้ขนาดนี้นะไม่ใช่ธรรมดาสามล้านแปดแสนห้าหมืนเป็นพระพุทธรูป หลงสมาธิหลวงพ่อได้ตั้งชื่อว่าพระพุทธอุโดมมงคลสองทำไมพอว่าพระพุทธพระพุทธอุดมมงคลหนึ่งอยู่ข้างในอยู่ข้างในวัดนะหลพ่อเนี่ยอยู่ทางข้างวัดเนี่ยอยู่ในศาลาศาลาอเนกประสงค์ศาลาอเนกประสงค์มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งและก็นั่นแหะ ให้เขาถ่ายรูปแล้ววาดรูปวาดภาพไอ้ถ่ายรูปไปแล้วก็ให้เขาแกะไข่อมเหมือนองค์ข้างในไอ้องนั้นเป็นองค์ที่หนึ่งเหมือนกันนะชื่อว่าพระพุทธอุดรมมงคลองค์นี้เป็นได้ตั้งชื่อว่าพระพุทธอุดมมงคลสองทั้งในวัดของหลวงพ่อเนะ่ยทั้งทั้ก็เป็นวัดเหมือนกันนะลูกหลานนะลูกหลานคงจะเคยคงไม่เคยมาทางนี้นะ แต่ทั้ทางในวัดของหลวงพ่อนะทางนู้นนะ่ะทางนู้นนะ่ะเนื้อที่ทั้งหมดพันสามรอยห้าสิบไร่ทางนู้นนะกำแพงล้อมรอบกำแพงตนนี้กาแพงคอนกรีตนะยาวหกกิโลกับเจ็ดร้อยกว่าเมตรความยาวของกำแพงนะหมดไปสมัยนะหมดไปยี่สิบกว่าล้านเฉพาะค่ากำแพง แต่ไม่ใช่หลงพ่อทํานะหลวงตาแต่หลวงตามหาปัวท่านเมตตาท่าสร้างให้แต่ทุกวันนี่ไม่ได้ต้องเป็นร้อยล้านต้องร้อยล้านกว่าร้อยร้อยกว่าล้านเพราะอะไรเพราะสมัยนั้นนะ่ะเอออะไรปูนซีเป็นกลกรเสือเนี่ยสิบห้าบาทสมัยที่สร้างนะแล้วก็ตาช้างนะ่ะยี่ส้าบาท แต่ต่อไปมันโผลเพขึ้นมากว่าจะเสร็จได้กับประมาณ3ามสิบ้าบาทเมนกันแต่มันสร้างไเกือบสามปีได้สองปีกว่าแต่ทุกวันนี้แต่ร้อยสามสิบกว่ า, าทีม่มาปูปูนจิเมนเสือนเนี่เหล็กสีหุ้นก็เหมือนกันเหล็กสีหุ้นตะก่อนสมัยท่านสี่สิบบาทที่สร้างนะนะตรงพ่อนั่ น, นที่มาสร้างถ้า ้าไม่ใช่บาลามีของหลวงตาหลวงพ่อไม่มีปัญญาจะลุหลานลหลวงตาท่านมาเห็นป่ามาเห็นนั่นเขาเองทำอินจะเอาำแพงไหมเราก็สุดแท้แต่พ่อแม่กรูจาร์ครับผมสุดแท้แต่พ่อแม่กรูจารย์เราเห็นว่าถ้าหาว่าไม่สร้างไม่ทำําแพงนะต่อไปภายภาคหน้าจะเอาไม่อยู่นะที่กว้างขนาดนี้หลวงตาว่า ถ้าว่าอย่างท่านอยู่คงไม่มีอะไรถึงจะเป็นล้วนหลวดหนามก็ไม่มีอะไรเพราะว่าท่านคนรู้จักมักคุ้นเป็นผู้มารเร่ร่อนใหม่คนทั้งหลายก็ให้ความเคารพกับเกรงใจแต่เมื่อท่านไม่อยู่ท่านตายไปแล้วนะ่ะผู้อื่นมาอยู่นะอันดับแรกเนะี่ยเขาจะมายิงสัตว์นะอธิบายให้ฟังนะ พอจะมายิงสัตว์ในวัดมันป่าขนาดที่มัต้องมีสัตว์ตร ง, ขงเขานี่ยก็หมูป่าก็ไม่ใช่น้อยธรรมดาทั้ทงหมูทั้งเก้งทั้งอะไรอย่างนี้ปา่าขันกวัวไร่เขาจะมายิงสัตว์พอยิงสัตว์แล้วก็พระก็อยู่ไม่ได้เลยสิ่งมันลำคาญเสียงปืนโป้งป้างนะบอกไม่ฟังเลเพราะภาพไม่รู้จะกับชาวบ้านนะต่อไปก็พระก็เปิดแหนบทังวันนะพอภาพเปิดแหนบทีนี้จะไหวเลยเขาก็บุกรุกเออรื้อลัวรวดหนามเลยสเน ะ, ๆๆะเออเนี่แหละก็จะ วัดมดเลยเพราะนั้นถ้าหากว่าทํากำแพงเนี่ยใครจะเข้าไปก็ต้องคิดต่อไปภายพระน่าจะทุบกำแพงเนี่ยจะไปทุบเลย <c oughs> เออวันนั้นวันตกทากำแพงว่าทําเข้าไปแล้วก็จะมีประโยชน์สําหรับผู้มาปฏิบัติธรรมถ้าหากว่ามิจฉาชีพที่จะคิดที่จะเข้ามาข้ามกําแพงเข้ามากับไปว่าตั้งใจพล่อยปลงถ้าขนาดได้ขนาดหนึ่งเพียงสมัครเล่นหรืออะไรสาบฉวยเนี่ยก็คงไม่เข้ามา เพราะนั้นเราว่าคำแพงนะี่มีประโยชน์เราเห็นด้วยกับทํำคำแพงแต่ถ้าไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างโบสถ์เราไม่เห็นด้วยนะ เ, เมื่อสร้างโบสถ์ขึ้นแล้วสร้างทําอะไรเพียงประดับบา ร, รมีของตนเองเท่านั้นเองแล้วก็สังฆกรรมปีหนึ่งได้บวชไม่กี่คนบวชมากไม่กี่ไม่กี่องค์แต่ละวันก็มีแต่ขังขังพระพุทธรูปไว้ ผังพระพุทธลบทใหญ่ไว้ในโบสถ์เท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์เราไม่ส่เราไม่ส่งเสริมอันนี้คือความหลองตาท่านท่านบอกนะท่านนี่สารหลานหลังนี้ของเมื่อนหรนนะ่ถ้าถ้าหลงตายยังมีชีวิตอยู่นหะลวงพ่อไม่ ไ, มได้ทําลูกหลานนะถ้าทําขึ้นมาหลงตาคงจะด่าหลวงพ่ออีกเหมือนหร่กันเนะเอยขนาดท่านาหลังข้างในเลยหลงตามาหลงตายยังดุให้หลวงพ่อมันสร้างอะไรมากมายนักหนานะ ใหญ่เกินไปทพราะคนไปร้องเรียนท่านว่าหลงพ่อสร้างศาลาใหญ่หลวงพ่อว่าหลวงพ่ อ, พ, อพูดไม่ออกเหมือนกันเวลากูบาอาจารย์ด่าเนี่นะหลวงพ่อจะไม่เถียงฟังลูกเดียวแล้วไม่แก้ตัวนะแต่ตามที่จริงม่ใช่เพราะคนอื่นไปว่าศาลาใหญ่ศาลาใหญ่ ใหญ่เวัดป่าบ้านตาดถึงขาวานเนี่าไปฟ้องท่านเขาใส่ไฟท่านท่านได้ยินได้กัดกยเฉ่งบักใหญ่เลยเพราะว่าเราไปก่อนก่อนที่เราจะสร้างเราก็ไปขออนุญาตจากท่านซะก่อนข้อกาดพระแม่กุญจาร์กับผมศาลาที่มีอยู่มันเล็กเกินไปครับผมจะขอสร้างสาราแต่ไม้ทางกรมทางป่าไม้อะไรเขาก็พร้อมแล้วเขาให้มาครับผมเตรียมไว้พอสมควรแล้วก็คงไม่เดือดร้อนใครกระบผม เอ่าจะสร้างก็สร้างแต่จะไปให้ใหญ่กวัดป่าบ้านตาดนะอย่าให้ใหญ่กหลังนี้นะอ่าอหลังนี้เนะี่ยรับตังต้งเจา้าตั้งเจา้าฟ้าเจ้าแผ่นดินกละับมาแล้วไปทําอะไรใหญ่ทําอะไรลืมตัวเออหลงลืมตัวไม่ได้นะแข่งโลกแข่งสงสารเขาอย่าทํานะเราก็ยกมือใจหุบครับครับผมในใจว่างันเราก็เอาช่างลงไปกวัดแล้นะ อยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่พอวัดเสร็จเรียบร้อยอลไรก็เราก็มาแหละรู้จัก แ, แต่เนี้นก็เราก็มาได้แปลนแปลนเราก็ให้โยเพราะทำแปลนใหม่เหมือนกับสลาหลังนี้แหละสลาข้างในพอทําแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, เราก็มาวัดเสร็จกันกับที่เราวัดสลาลุงตาใช่ไมอมพอจะได้ก่็แต่ว่าทางยาวนี่ ของหลังนี่เลยยาวกว่าทางกว้างไงทางวัดป่าบรรดาตกว้างกว่ากว้างกว่าแปลนแต่มาหารหันลงเถือหารลงว่าสองหลังในหลังไหนใหญ่กว่ากันออในระหว่างเสาต่อเสาเนี่ยของหลังนี้เลยเล็กกว่า17ตารางเมตรเล็กกว่าหลังหลังบรรดาษนะ เราได้หลักฐานมาแล้วเล็กกว่าสิบเจ็ดตารางเมตรเอ่อเอาแล้วเ็าบอกเ อ, อวิศวกรสถาปนิกถ้าเราสร้างลงไปเนี่ยลงตายจะไม่ด่าลงพ่อหรือพวกความยาวมันยาวกว่าได้โอยมันเป็นไรเราท่านอาจารย์จะให้เท่ากาันมงถ้าไปทำอย่างนั้นมันก็สาลามันก็ไม่น่าดูเรากันมันไม่สัดส่วนตัวที่มันได้สัดส่วนพอดีแล้ว จากนะก็เลยเอา้าเอาเลยโอ้จริงจริงด้วยพอสร้างเสร็จลวลงตาด่าไม่มีไม่มีดีเลยเราหลวงพ่อปากไม่ออกเลยวันนพูดไม่ได้เลยนั่งฟังลูกเดียวหลับตาลูกเดียวเลยลงตาด่าอเปโอ้ลงตาดา่ า, ดานี่น่ากลัวเนีแก้ตัวก็ไม่ได้ผลที่สุดนายช่างมาจากกรุงเทพเลยไปแก้ให้วันนี้ไป ในช่างมาเจ้าของเถียวโอ้ไม่ไหวเลยในชั้นเลยวะลุงตาดาหัวแล้วเข้าหน้าไม่ติดแล้ววะวะเป็นไงท่านอาจารย์โอ้ยทางกวัดจลาเราใหญ่เะมันใหญ่ไหมอาจารย์เทีบใหญ่ ย, ย, ยังไงทหารบวกลบคูณหารจากกักรและของเราเล็กกว่าตั้งเกือบยี่สิบเมตรนะอแต่ว่าทางกว้างไอ้ใจของขวัญทั้งท่านกว้างกว่าทางยาวของยาวของเราเนี่ยาวกว่า แต่หารลงเนื้อที่แล้วนะ่ะของท่านใหญ่กว่าที่บันดาลนันใหญ่กว่าอ้อขับขับขับเดี๋ยวผมผมจะเข้าไปนะจากนั้นในช่างคนนั้นเลยเข้าไปกราบเรียนท่านวนะ่าท่านเหรอว่าท่านก็เลยเชื่อในช่างนั้นเหมือนแตะตั้งแต่ใครตั้งแต่นั้นต่อมานะ่ะใครโตโอ้สาราท่านอาจารย์หลวงพ่ออินหรออาจารย์อาจารย์อินใหญ่เหลือเกินอย่ามาโพด ปากสกปอกหลวงตาว่าดเนี่ยโอ้เนี่ยละลูกหลานเนียจะทําอะไรสมัยก่อนต้องได้ขออนุญาตจากองค์หลวงตาซะก่อนแต่ลงเนี่ทําไมถึงลึงหลวงพ่อจึงทําหลังนี้ถึเพราะที่ดินแปลงนี้เนี่ยพอหลวงพ่อเอาข้างในได้ข้างในนั้นในเนี่ยจะไ้เป็นจะนี้เป็นที่สวนเขาเป็นที่ที่ที่ที่นาเขานะ เขาทำเป็นไร่ไร่ขาโพดมดล้่ปาในี่เตียนหมดวานนี้เขาจะขายกว่าเขาจะจะได้ดรถปิกอัพสมัยก่อนรถเก่ารถปิกอัพแสนสี่ย้นไปเขาบอกเนี่ยที่ดินแปลงนียถ้าใครจะเอาก็เอาได้แต่แสนสี่หลวงพอ่อถ้าหาว่าเราเอ า, เอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะยี่สิบเจ็ดไร่ยี่สิบเจ็ดี่แปดไร่แต่เปิดสามสิบไร่ ถ้าเราออกไว้ก็ดีเป็นการนนะ้านะเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเรามีสร้างวัดเข้าไปข้างในแล้วตรงเนี้อาจจะมีร้านขายของอาจจะมีคาราโอเกะอาจจะมีร้านอาหารเอออิลุงตุงนังอิลุงตุงนังอยู่นี่แล้วก็จะตีกองมีเสียงดนตรีเข้าไปข้างในหรือพระเนรอยู่ข้างในแล้วจะทํายังไงสิเออเออ มาเต้นตามจังหวะ ก, กองเขาอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยพระเนรอยู่ข้างในเราควรจะเอาไว้ดีกว่ามากหลวงพ่อกก็คินโอ้เงินแสนสี่สมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยลูกปลาเนะี่ยผ้าป่าไม่รู้กี่กองกระถินไม่รู้กี่กองเกงจะได้แสนสี่ใช่ไหมเออพลศุกก็เลยได้มาก็เลยนี่แหละซื้อเอาไว้ซื้อตรงนี้ไว้ซื้อกันเอาไว้มาต่อมาก็เลยนะ่ะล้อมรั้วล้อมรั้วนุ่ม สองปีที่ผ่านมาทางในมันหนานแน่นมันคนเข้าไปศาลาเนี่ยแออัดเลยสิหาที่ลงไม่ได้มันป่าเนีย่ยจะถางป่าก็เสียดายป่านีด เ, เออก็เลยออกมาข้างนอกออกสายย้ายอีกศาลาห ล, าลังหนึ่งมาไว้ข้างนอกดีไหมคณะสัตยาญาติโยมพระเนลูกหลานทั้งหลายแล้วก็สุดแท้แต่หลวงพ่อและเออออกมาข้างนอกเพราะตรงนี้นะตรงนี้ที่มุมมุมทางโน้น มันเป็นวัดเก่านะลูกหลานนะตรงนี้นะไม่รู้สมัยไหนก็ไม่รู้เหนะมือนกันมีกอดอีกกอดมักใหญ่เนะเป็นเหมือนกระจอปลวกเนะี่ยอยู่ดนะ้ออคล้ายๆองมีพระพุทธรูปมีของเก่าอยู่ตรงมุมนั้นนะแต่คิดว่าเราเราคิดว่าเราไมา่อยู่กอนเขาไม่ใช่เลยเขาไมา่อยู่ก่อนเราแล้วแต่ว่าไม่รู้จากวามันใครสมัยไห น, นไม่อยู่ สมัมเขามาทำถนนสายนนเนสายตนนหลอประชอดพอทํามาเสร็จแล้วเขาก็เอารถแท็กเตอร์มาดันจอมปลวกนั่นนะโอ้แต่กระจุยกระจายเขาขุดเ้า ข, ขุดหาของเหมือนกันนะแต่ตะก่อนนะต่ก่อนนั้นไม่มีแม็กโครเลมีแต่แท็กเตอร์แท็กเตอร์อใบาผานนะัดดันดันจอมปลวกกระจุยกระจายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่วัดเก่าเหมือนกัน แต่ข้างในในวัดของหลวงพ่อก็เหมือนกันออมีขวาโอ่งไหอะไรในพื้นดินเต็มไปหมดแสดงว่าไม่ว่าไม่ไม่รู้ว่ายุคไหนไมาอยู่ก่อนเราแล้วง้นเถอเพราะฉะนั้นโลกอนนี้มันเป็นโลกโลกไปไี้ไม่ใช่ว่าเออมันมีอยู่เฉพาะเรานะมันมาก่อนเก่าแล้วก็มีนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของลกูกของวัดของเรานะเนี่ยหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะ ล, ลูกหลาน แต่เนื้อที่ทั้งหมดทั้งข้างในเนี่ยพันสารอห้าสิบไร่เนี่ยเป็นโฉนดหมดแล้วเด้เป็นโฉนดที่ดินหมดแล้วตัว น, นี้ก็เป็ น, นโฉนดละขอโฉนดได้แล้ะมันอยู่ใกล้อําเภออําเภอนาห ย, ยูห่างอําเภอบางบ้านไม่ถึงสองกิโลใกล้ๆวันนี้คงจะไม่พูดอะไรมากนะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อจะแจก MP ็สให้กับลูกหลานนะให้ไปฟังเอาเลย อยู่ในนี้แหละมีหนังสือด้วยนะมีหนังสือเล่มนี้ถ้าหาว่าใครต้องการหนังสือก็หนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อว่าต่อต่อต่อต่อต่อเปิดเข้าไปข้างในเตรียมตัวตายหนังสือเตรียมตัวตายฟังงแล้วก็น่ากลัวนะตัวเตรียมยังไงเตรียมตัวตายเนียเขียนไว้ในนี้น่ะ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 ถ้าเราคิดไว้ในใจอย่างนี้นะถึงจะโกรธให้ใครใครก็ไม่โกรธมากเพราะอีกสักวันหนึ่งเราก็จะหนีจากเขาอยู่แล้วถึงจะรักใครก็ไปถึงไม่ควรจะรักมากเพราะอะไรเพราะพวกเราจะหนีจากกันอยู่แล้วอันไหนคือคุณงามความดีควรจะหันคุณงามความดีเข้าหากันอันนั้นนะดีที่สุดถูกต้องที่สุดอรักไม่ใช่ว่าเราโกรธให้เขา แอ้โมโหยเขาก่อนไปซื้อปืนมาจ้างมือปืนไปถล่มไปฆ่าเขาทิ้งคิดว่าตัวเองจะอยู่ตายไม่เป็นไม่ใช่เนะพอเขาตายไปอีกไปนานตัวเองไปติดคุกกว่านีะเออไปทุกทนทุกทรมานอยู่กับคุกอีกทางนะคิดว่าตัวเองจะตายไม่เป็ี่ยนใช่ไหมไอ้อยู่คนเดียวนั่นแหละอันนี้ก็คือความคิดสั้นนะเพราะนั้นถ้าคิดตอ่ตอต อ, ตอตเตรียมตัวตายไว้อยู่ในใจเสมอนะคนนั้นจะไม่ทาอย่างนั้นนะ และก็พร้อมกันประมวลข้อคิดหลังจากอ่านธรรมะชุดต่อๆคนเขาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยประมวลออกมาว่าหนังสือเล่มนี้เมีมีอะไรเนื้อหาสาระในเล่มนี้ถ้าใครใจะจะอ่านแบบจนยอดที่เขาสรุปแล้วอก็ได้ที่หนังสือเล่มนี้นะอแล้วก็ เรื่องแนะพระฝรังรเผชิญสามปัญหาชีวิตอย่างมีสติปัญญาอันนี้ก็คือพระฝรังเป็นชาวเยอรมันเขามาเข้ามาเข้าบวชมา1ิบกว่าพรรษาอายุประมาณสักดูดูแล้วหลวงพ่อคาดกันเนยนะประมาณสักสี่กือหาหปีอายุของเขาเขาก็มาถามว่าท่านอาจารย์ครับผมขอถามปัญหาท่านอาจารย์เราเอย เราเห็นพระฝรั่งใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าท่านไปถามที่อื่นมาพอแรงนะละหลอนแหลกพอแรงนะจะมาถามหลอกๆเล่นๆกับผมผมไม่ตอบผมไม่ตอบไม่ไม่ตอบไม่ไม่ใช่ครับผมไปถามที่อื่นผมก็ถามมาแล้วแต่ท่านก็ตอบผมมาแล้วแต่นี้ผมอยากจะถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะตอบผมว่ายังไงที่ผมจะถามนะโอ้ใช่ฝรั่งทันเราไวเ้เราคืออ๋อ ถ้านั้นน่ก็คงจะไม่ตอบเหมือนกันนะกที่กูบาอาจารย์องค์อื่นคงไม่ตอบเหมือนกันเาถามได้เขาก็เลยถามบัดถามว่าผมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอหมอเขาบอกว่าผมเป็นไวรัสซีต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปผมจะเป็นมะเร็งตับในเมื่อผมเป็นมะเร็งตับ เดี๋ยวนี้ไม่มียายาไทยยาจีนยาฝรั่งไม่มีมะเร็งตับเนี่ยเพราะนั้นผมต้องไปเข้าไปหาหม อ, อไปนอนโรงพยาบาลพอไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยรักษาตามอาการเพราะไม่มียาแล้วเนี่ยมีแต่วาท้องอืดก็ต้องให้ยาท้องอืดถ้ามันปวดมากก็ต้องให้ยาแก้ปวดรักษาตามอาการแต่นีอาการของผมก็ต้องหนักลงไปเรื่อยๆเพราะเป็นมะเร็งตับ ผลในสุดผมช่วยตนเองไม่ได้เพราะมันหนักอาการมันหนักโรงพยาบาลโดยมากก็เป็นพยาบาลหญิงถ้ามากกว่าพยาบาลชายหนหายากโรงพยาบาลหญิงในเมื่อพยาบาลหญิงในเมื่อผมไปนอนโรงพยาบาลผมช่วยตนเองไม่ได้พยาบาลหญิงก็ต้องมาเปื้องผ้าแก้ผ้าเช็ดร่างกายให้ผมผมก็รู้ว่าอันนี้คือพาะพินัยของพระพุทธเจ้าไม่อนุญาต ให้ผู้หญิงมาแตะต้องร่างกายของพระแต่ในผมช่วยตนเองไม่ได้และจะทำยังไงผู้หญิงเขาก็ต้องมาเช็ดพยาบาลก็ต้องมาเช็ดร่างกายให้ผมนี่แหละผมขอถามท่านอาจารย์ชื่อว่าในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นถึงจุดนั้นเราจะตายในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดีตามความเห็นของท่านอาจารย์เขาถามนะ ว่นนี้ใครอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อตอบเขาว่าไงให้อ่านดูเถิดหลวงพ่อตอบเขาว่าไงนะถ้าไม่อ่านไม่รู้ตัวนี้หลวงพ่อจะไม่เฉลยปัญหาข้อที่สองเขาถามว่าขณะที่ใจจะขาดในช่วงนั้นจะทำใจยังไงจะภาวนาอะไรจะบริกรรมกรรมฐานอะไรจะนึกคิดยึดอะไร จะปล่อยวางใจยังไงจะปล่อยวางอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความเห็นของท่านอาจารย์จะทำใจยังไงจึงจะถูกต้องที่สุดในช่วงนั้นน่ะตามความเห็นของท่านอาจารย์วัะนั้นหลวงพ่อกระตอบอยู่ในนี่นะจะทายญาติโยมลูกหลานนะวัะนั้นใครๆตอ่ตอๆเนี่ยมันถึงในี่ยใครยังใครจะอยู่ที่ไหนก็นลีกไม่พ้นหรอก ไปอยูขึ้นไปดาวอังคารก็ไปตายอยู่ดาวอังคารไปขึ้นโลกพระจันท์ก็ไปอยู่ในโลกพระจันทร์มันหนีไม่พ้นเลยเกิดมาชาตินี้แหละมันต้องไปจุดนั้นแน่ๆใครจะคิดก็ไม่คิดเท่านั้นแเละแต่คิดไว้ดีกว่านะวางแผนไว้ดีกว่าดีกว่าไม่วางแผนเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านะดูก่อนอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันลกี่ครั้ง พระอ น, น, นุลกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะประมาณนะประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะอา น, นุลเธอยังประมาทอยู่และเลึกถึงความตายวันละวันละร้อยครั้งเน่ยยังประมาทอยู่อา น, นุลเธอควรระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตาย อันจึง <Am> ตั <ible> ้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้อะพวกเราเนี่ยทำไมเราลึกถึงความตายถึงเป็ประมาทอย่างมากๆากแต่วันหนึ่งไม่ละลึกถึงความตายอีกต่างหากใช่ไหแต่พระอนนทละลึกถึงวันละร้อยครั้งบอกพูดได้าวกวยังว่าประมาทใช่ไหมแต่กว่านั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะเอ่อละลึกถึงความตายสบายนักหักรักหักหลงในสงสารเออทุกคนละลึกถึงความตายเออหักรักอีกรักก็ไม่รักมาก หลงก็ไม่หลงมากเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ตั้งใจประกอบคุณงามความดีแหละท่นานสงสมคุณงามความดีอันไหนคือดีอข้าพเจ้าจะเป็นผู้สำรวมระวังเป็นผู้ยินดีในการเสียสละทำบุญทำทา น, ทาทานตามอัตภาพาแบ่งปัน และกับรักษาศีลควรจะมีศีลห้าและก็มีการภาวนาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าภาวนาเรานั่งภาวนาอย่างพระประธานนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาและกับกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกเมื่อเราไม่ส่งจิตไปทางอื่นจิตใจของเราอยู่ที่ปลายจมูกใจของเราอยู่ที่ปลายจมูกใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งจะรู้ได้กายกับใจใจกับกายมันคนละอันกันร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถเห็นได้ชัดนะคนขับรถกับรถ อไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับถ้ารถคันไหนคนไม่ขับมันไปเองและไหลห ล, ลงเหวเอง่ะรถคันนั้นแปลกมากเลยมันกัอเพราะ น, นั้นร่างกายกับใจนี่จึงเห็นได้ชว่าวร่างกายเหมือนกับรถแต่ จ, จิตใจเหมือนกับคนขับรถแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนี่มากกว่าเรื่องของกาย ท่านจึงตั้งเป็นพุทธภาษีว่ามะโนปุพังคามาธรร ม, ม, มะมโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจแสดงว่าท่านใ ห, ให้โซเฟอรนะ์ให้ความสำคัญโซเฟอร์มากกว่ารถรถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วแล้ ว, ดวได้ สร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าหาว่าโซเฟอร์ขึ้นไปขับรถคันนี้ถ้าโซเฟอร์เกิดอารมณ์โมโหโธทาเรื่องอะไรก็ตามเออขับขึ้นไปแล้วหักลงเออข้างข้างภูเขาก็ได้ลงเหวก็ได้หักลงไปในน้ำก็ได้ชนต้นไม้ก็ได้เออเนี่ยร่างกายนะเานี่ยเออเพราะว่าโซเฟอร์เป็นใหญ่ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันบางทีคนโกรธอารมณ์โมโหโกทานเนี่ยเออเอาเชือกมาผูกคอตัวเองตายไปไหมแปลว่าเอาเอาเชือกมาผูกรถผูกรถจักของแขวนแขวนทิ้งเหมือนกันเถอะอ่ะเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจเพราะฉนั้นใจถึงสมควรยิ่งจะต้องได้รับการอบรมจะต้องได้รับการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอันนี้ดีนะอันนี้ชั่วนะอันนี้สิ่งควรไม่ควร ใจจะต้องได้รับการอบรมการอบรมใจในหลักของพุทธศาสนาไม่มีอันไหนดียิ่งกว่าอบรมด้วยสมาธิเมื่อสมาธิหนึ่งควนั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอันไหนควรไม่ควรอย่างไรเพราะเรา ก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่อยู่กับตัวเองอันไหนควรอันไหนไม่ควรเอแล้วก็ศีลห้าเนี่ยเสมควรอย่างไรให้พวกลูกหลานทั้งหลายศีลห้าเนี่ยเป็นศีลคุ้มของโลกนะเป็นศีลคุ้มของโลกมาแต่ตั้งแต่ดึกดําบรรณศีลห้าของพระพุทธเจ้าอทําไมจึงพูดอย่างนั้นให้พวกเราไปถามชสิไอผู้คุมเรือ น, เรอนจำํำที่เขาเข้าคุกในเรือนจําทั้งหมดเออ โดยมากไม่ใช่โดนมากทุกคนนะเม้นผิดศีลห้าทั้งหมดบางทีก็ฆ่าคนบ้างบางทีก็คิดฆ่าเขาบางทีทำร้ายทำร้ายร่างกายเขาบ้างบางทีขโมยไม่รู้ว่ขโมยกี่ขโมยบางทีก็ลรลับล่าลอบล่วงในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขาบางทีก็โกหกต้มตุน๋นหลอกลวงคนอื่นเขาบางทีกินเหล้าเมาเข้ามาเกิดขับรถเฉียวชนเขาทาความชั่วอีกมากมายหลายอย่าง ถลบแล้วก็คือคนผิดศีลห้าเนี่ยเขาไปขังไว้ในตารางนะลูกหลา น, นไปถามดูนะให้ไปถามดูว่าอที่เขาไปขังไว้ทั้งเพชรชุบุญก็ดีที่เมืองอุดรก็ดีที่ไหนๆก็ดีโดยมากเขาขังคนไม่มีศีลห้าคนที่ผิดศีลห้าน่ยเขาขังไว้นะเอนี่แหละเรื่องศีลห้าของพระพุทธศาสนาศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเป็นศีลคุ้มของโลกจริงๆ เพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายให้คิดจำเหนือจำนึกเอาไว้นะ เ, เรื่องศีลละเรื่องศีลธรรมแต่เรื่องนี่แหละเรื่องจิตทพวนาก็ให้ภาวนาอยากอยาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ดำสังสอนนะนะภาวนาพุทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเมื่อเรารู้แล้วรู้ว่าร่างกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอ่านกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเกิด คนเราเกิดมาแล้วตายแล้วไม่สูญนะทีนี้อ่ในเมื่อเรานั่งภาวนาแล้วนั่งจิตสงบเข้าไปแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกร่างกายเนี่ยใช่ร่างกายรถเนี่ยเน่าเปื่อยแน่ตายแน่แต่โซเฟอร์ที่ขับรถน่นนะออกยากรากนะตายไม่เป็นตัวนั้นเอเป็นนักท่องเที่ยวโตยงเลยหลวงปู่มั่นบอกว่านะใจเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวโตยงตายไม่เป็นออกจากรถคันนี้เลยกันนะ ไปหาซื้อรถคันอื่นถ้าถ้ามีเงินนะเนี่ยแหละเพราะนั้นทันวา่าคนเราเนี่ยะในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ส่องแสวงหาบุญเมื่อคนมีบุญแล้วมีคนมีบุญเข้าสู่จิตใจแล้วนะใจของเราเนี่ยเป็นคลังของบุญบุญและเป็นคลังของบาปเป็นที่สั่งสมบุญกุศลแต่หากว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลอย่างวันนี้แะพวกเรามาสร้างบุญเน่ ธรรมาทรามบุญบุญก็เข้าสู่จิตใจของเราถ้าเราล้มหายตายจากไปบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วนะ เ, เหมือนกับคนมีเงิน เ, เหมือนกับโซเฟอร์มีเงินโซเฟอร์มีเงินพอ อ, ออกจากรถคันนี้แล้วบัตรเอทอ็มก็มีบัตรอะไรต่อมีอะไรก็มีเงินธนาคารก็มีฝากที่ดินไว้ที่ไหนกิมเีเราก็ไปหาเงิน จำนวนนะ่ะขายที่โดนขายที่ดินขายเพชรนินจินดาเข้าไปเราก็ไปซื้อรถคันอื่นได้จะเอาคันงามคันไรขนาดไหนก็ได้พราะอะไรเพราะาคนมีเงินนะแต่ถ้าว่าคนไม่มีเงินคนไม่เคยคิดว่าตายาตายแล้วศูนย์ไม่ได้สนใจไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอีกต่างหาพอตายไปแล้วแต่นี่มดท่าเลยบ่ายไม่มีบุญกุศลเขาอยู่ในจิตใจเดินงงกงานๆไปไรบ่าย เพอ่เพไม่มีที่ไปไปหาเกิดเป็นช้างวัดไปหาเกิดเป็นวัวเป็นควายหมูหมาเป็ดไก่เออเป็นได้ทั้งหมดคนเราในวิญญาณถูกนั่ะโซเฟอร์ทัวนั้นเออโซเฟอร์ตัวนั้ น, น, นไปได้ทั้งหมดนั่นลูกหลานเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนานท่านจึงให้สั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ทําสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้กรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าอากตังลุกตังเส้ยโย ปัจฉ่าตปติด e <Took a S 2> ุก <Dana. S 1> ต e i, a, wij, ังกรรมชั่วคิดช so, <son Fine. S 2> ั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่าในเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใครทํากรรมไม่ดีเอาไว้นะในเมื่อกรำไม่ดีให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบูรณ์กุศลนะ ถ้าทำสร้างบุญสร้างกุศลในจิตใจแล้วไปอยู่นักสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขบุญกุศลกนะ็คืออะไรคือย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังไงไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลก็ใช่ไหวพระสวดมนต์ก็ใช่นั่งภาวนาเนี่ยเลิศประเสริฐเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอ่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ถ้าภาวนาเนะเพราะนั้นไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวได้ รักษาศีลก็ใช่เนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ในป่ารงพงไพ่ท่านจะเอาที่ไหนมาฐานม่แต่นั่งภาวนารักษาศีลก็นั่งภาวนาของท่านพระสงฆ์นะท่านก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สุด่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะไม่พูดอะไรให้ฟังมากนะก็เลยพูดเสียยืดยาวาละพ่อละบัตินะี่นะเออลมเย็นเป็นสุขนะหลุกลานนะสุขกายสุขใจนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะแจกนะั่ง ซื้อ MP3 ให้ฟังเอามิเตเริ่มแล้วนะที่นี่นะ